ท่านสาธุชนพุทบริษัททั้งหลายในลูกหลานที่รักตอนนี้ก็มาพบกันถึงเรื่องราวของพระเจ้าโพธิทั์เป็นว่าเขาย้อนต้นสักนิดหนึ่งความจะได้เชื่อมกันในตอนจุดข้นเต่าฉลาดคือวันหนึ่งมันน้ำไหลเข้าไปสับโอคันนีที่พระเจ้าพระมทัต ขุดให้ลูกเล่นแต่ก็มีเต่าตัวหนึ่งตามเข้าไปด้วยหาทางออกไปได้จึงดำลงไปโยกก้นสะเวลาที่พระราชกุ ม, มารและพระราชกุ ม, มารีลงเล่นน้ำก็โผล่ขึ้นมาดูทำให้ดาสอพระองค์ตกพระไทยกลัวพากันขึ้นไปเฝ้าพระราชวิดา ราชุเวนดาจะรับสั่งให้ถึงตาข่จับเต่าตัวนั้นมาพระราชโอรสพระราชธิดาทั้งสองเห็นก็จำได้เจียงส่งเสียงร้องเอืองเอตเ อ, อืงเพราะเจ้านี้แหละพระเจ้าข่าที่เป็นวีสานไล่ขลอดหลอกหลอนเพราะเธอไม่เคยเห็นเตา่าพระจุเวนดาได้สั่งให้โดนโทษเ ต, าต่านั้นให้โจนหนักแปลกเห็นไหมนะ เจ้าเต่าสัตว์เดจฉานี่มันไม่มีกฎหมายคุ้มครองจริงๆความจริงมันก็ไม่ทําอะไรเขาเล่นน้ํามันมันดูเนี่เจียงเบอร์สายอัมมัดอัมมัจึงเบอร์สากันว่าจะลงโทษอย่างไรดีจริงจะเป็นการลงโทษที่หนักที่สุดอาหมายคนหนึ่งว่าก็บอกว่าคนรจะจับเปนหงายขึ้นแล้วก็เผาไฟเจ้าเต่าได้ยินก็นอนทําตาปริกบๆ ว่าคราวนี้แย่แล้วเขาไฟกูก็ตายแน่ก็นิ่งไม่พูดญาตคนหนึ่งก็บอกควรจะใส่ครกโคกเข้าละเอียดแต่ก็คิดอยูอ่วิธีนี้ก็ตายแน่เสร็จกกรดูแล้วกระดองมันไม่แข็งเท่าไรมันตำละเอียดของก็ตายบางก็เกาอาอมาัดบางคนก็บอกว่าควรใส่กระทะตม้มความที่จริงวิธีเผาไฟ และวิธีใส่กระทะต้มนี่มีประโยชน์กินได้แต่เจ้าเต่าก็หมดกำลังใจว่าเขานี้เห็นจะไม่พ้นความตายแต่ว่าบาังเอิญเมียใหม่คนหนึ่งเป็นโรคกลัวน้ำาะแกว่ายน้ำไม่เป็นเสนอว่าควรจะไปทิ้งไว้ที่วังน้ำมนต์วันวังน้ำบ น, น, ำบนในแม่น้ำยุบนามันจะได้จม ตารน้ำตายสานักน้ำตายเป็นการทรมานอย่างหนักทำโทษอย่างนี้เพ่งกล่าวว่าทำโทษอย่างอื่นไม่ดีเท่าการทำอย่างนี้เลยเป็นการทรมานมันยิ่งเท่ากับยาตายหายใจไม่ออกนี้มันต้องดิน้นทุรนทุรายแน่เมื่อเจ้าหมายคนนี้กล่าวจบเจ้าเต่าได้ยินข้อเสนอข้อหมัดในเรื่องที่จะประหารตน ยืนได้ยืดเนะี่ยยืดหัวออกยืดหัวออกท้ไมยืดเนะี่ยแล้ว ก, กล่าวขึ้นในความโกรธแค้นว่านี่เราทำผิดอะไรกับพวกเจ้าหนักหนาเจ้าจึงจะลงโทษให้เราเอาเราไปทิ้งในน้ำบนนั่นเจ้าเต่มามันยิ้มแล้วนี่ไอเต่านี่มันอยู่น้ำลึกได้มันจมน้ำอยู่ได้เป็นเดือนเดือนมันไม่โผล่มา ก, ก็ได้แต่ว่าเต่มามันฉลาด อ้อย่างอื่นไม่คันมันคันตนนี่มันยิ้มไปคนนี้กูรอดรอดตายแหละไอ้คนนี่ม่โง่กว่าสติสัจฉัก็มียิ่งนี่ว่าเราทําผิดอะไรพวกแกเจ้าพวกเจ้าหนักหนายิ่งจะเอาเราไปทิ้งในน้ําบนนั้นการทำโทษอย่างอื่นนี่เราพอทนได้แน่ฉลาดสุด้วยแนะ่ <c oughs> ว่าแกแยับเผาไฟฉันก็บรรทนได้แกแยับครก็พอทนได้ แกจะต้มกับโหทนได้แต่นี่ใจร้ายจริงๆแกจะเอาเราไปทิ้งในน้ําในวังน้ําบนให้การทําอย่างนี้มันเป็นการทารุณอย่างไรกัดเหลือเกินขออย่าได้ทําอย่างนี้เลยนะถ้าจะทําทก็ทําตามแบบพิธีอย่างสามไหนไหนจะตายขอให้มันตายง่ายสักนิดเถอะนี่ลองลีลาของเตา่าพระราชาสมสด็จแบบนั้น ราชาก็โง่เหมือนกันไม่รู้จักเตา่าจึงรับสั่งให้ <c oughs> จึงรับสั่งให้เต่าไปทิ้งที่วางน้ำบนในแม่น้ำยูวนาเต่าตัวนั้นยิงจมลงไปในปล่องซึ่งเป็นปล่องเป็นช่องไปทางพิภพเป็นนาคภ พ, พไปที่โยกพญานาะคก็เลยตกลงไปในเมืองพญานาะคลงพอดีไอเจ้าเต่าตัวนี้เนี่ยมันโชคดีจริงๆ เขาทิ้งในวังน้ำบนแต่ความจริงจะวนหรือไม่วนตัวเต่ามันหนักไม่มีความหมายอยู่ในน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่ตายแต่ดันลงไปในเมืองพญายนาอีกจะว่าโชคดีก็ได้โชคร้ายก็ได้ฟังเรื่องราวต่อไปขณะนั้นนาคขมานบโอรสขวันเท้าทศนรสกำลังเล่นน้ำอยู่ที่ปล่องนั้นเอาละสิ นิ้เสียปัจจรรคีการใช้บัญญาลูกหลานที่รักดูเต่าถ้าสิ่งใดที่มันเกินวิสัยคิดว่าเราจะไม่ปลอดภัยเราทำใจเฉยเฉยไม่สะดว้งสเทือนการสั่งประหารชีวิตด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามเห็นว่ามันจะไม่ไหวก็ตัดสินว่าถ้าเราจะตายก็ตายตามใจ เมื่อถึงเวราระที่เราจะตายแล้วก็ไม่มีทางใดที่จะรอดทําใจใเฉยๆทำใจสบายๆถ้าดิ้นรนมันก็ตายไม่ดิ้นเหมือนก็ตายตายให้เฉยๆสบายกว่าอย่างเจ้าเตา่าแต่ว่าได้เห็นดินลาก็เห็นเราเฉยๆเขาคิดว่าเราจะไม่ตายแบบนั้นดีไม่ดีเขาอยาหาวิธีฆ่าแบบเต่าคือเป็นทางปลอดภัยอันนี้การทําใจเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนที่เรียกว่าคันติมีประโยชน์ คุยกันต่อไปว่าขณะนั้นนาคมานบโอรสขมท้าทศรสกำลังเล่นน้ำอยู่ที่ปล่องนั้นพบเต่าเข้าจึงจับไว้เต่าจึงคิดว่าเราหลุดจากเงื่มมือขาพระเจ้าพาราณสีมาแล้วคราวนี้มาตกอยู่ในเงื่มมือขมันดาพวกอนานักที่หยาบช้าอีกเราจะออกบายอย่างไรดีหนอ จำเราจะต้องออกอุบายเอาตัวรอดให้ได้นี่เขาว่าโง่อย่างเต่านี่มันไม่แน่นะเต่าที่มันมันฉลาดกว่าคนฉลาดกว่าหน้าก็ามีแม่สัตว์เดรัจฉานสุนัขที่เลี้ยงวัตถิวัตบางทีก็ฉลาดกว่าคนมีหลายตัวฉลาดกว่าคนรับคําสั่งครั้งเดียวเธอปฏิบัติตลอดชีวิตนี่จงอย่าคิดดูถูกสัตว์เดรัจฉาน สมัยเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าโตท่านมีชีวิตอยู่ผู้ใหญ่ท่านเลาใ้ฟังว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าโตเวลาเห็นสุนัขนอนเวลาท่านจะเลี้ยงไปถ้าไม่เลี้ยงไปทางทษะถ้าเลี้ยงไปทางหางเขาถามว่าทําไมท่าอย่างนั้นท่านบอกว่าจะทราบได้อย่างไงว่าสุนัขตัวนี้ไม่ใช่พระโพธิสัตว์นี่ท่านมีอารมณ์ละเอียดอ่อนขนาดนี้ คำว่าพระโพธิสัตว์ก็หมายถึงว่าคนที่จะตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้าฉะนั้นเรื่องของคนที่จะตรัสเป็นพระพุทธเจ้าในวันหน้าเนี่ยพระอรหันต์ให้ความเคารพถ้าเขามีความจริงใจแล้วก็ขอคุยกันต่อไป <c oughs> ว่าเจ้าเต่าบมห่าทานตัวรอดได้จึงกล่าวครูว่านี่จะจับเราไปไหนนะ่ะเราเป็นเต่าชื่อว่าจิต จูนให้จูนตอนนี้รอจุลาสกุฎนะเราเป็นเต่าชื่อว่าจิตจูนเป็นทูตของพระเจ้าพาราณาสีให้มาเฝ้าท้าทศรสเอาแล้วแม่เจ้าเต่านี้น้ากลวมันจะเป็นคนพันเดียวกับชูโชคเนะ่ะเจ้าชูโชคจะไปขอสองฆ์มานก็ชูกลักบอกว่าเราเป็นฑูต นี่เจ้าเต่ามันบอกมันเป็นทูดข้าพระเจ้าพารานสีพระเจ้าพารานสีส่งมันมาเฝ้าพระเจ้าท้าทศรถออสีโดยมีพระาววพราชาสงฆ์จะถวายพระราชนิดาแกทาท่ท้าทศรสีขอท่านนั้นหลายจุด น, นำเราเข้าไปเฝ้าเถิดส่งเต่าไปเป็นทูดใช่ไหมละบรรดาณาอืขนาขมานบ ธรรดาหน้าท่านไหลก็พากันหลงเชื่อนะ่ะไอ้มาเข้ามานบเนรุณนากคชายจิมนำเข้าไปเฝ้าท้าทศรถแล้วก็ทูลเน้ทรงทราบว่าเป็นทูตของพระเจ้าพาราณสีจะนำข่าวดีมาแจ้งพอท้าทศรถทอดพระเนธเห็นก็ไม่พอพระไทยทรงตำหนิว่าทูตอะไรกันรูปร่างแสนจยลามก ไม่มีท่าทางจะทาหน้าที่โทษได้เลยเต่าจึงได้อดอ้างตนว่าทำไมผู้ที่เป็นโทษนั้นจะต้องมีรูปร่างหน้าตาใหญ่โตแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาสดสวยรูปร่างนั้นถ้าจะถือเอาเป็นประมาณได้กิจกายงานที่จะทําทให้สาเร็จในหน้าที่นั้นสิเป็นประมาณแน่นอน หมายความไอ้รูปร่างเนี่ยจะถือเอาเป็นประมาณไม่ได้เลยไม่มีความสำคัญความสำคัญในการงานก็คือความสามารถถ้าคนใดมีความสามารถดีแม้รูปร่างไม่ดีการงานก็ดีได้มีฝนสมบุรแบบดูเจ้าเต่ามันชั้นลาดไม่เชเลนพูดของไม่เจ้าพาราณาสีนั้นมีมาก พวกมนุษย์ทำหน้าที่ได้ในเพียงบนบกพวกนกก็ทำหน้าที่ใ น, ในทางอากาศข้าประบาทชื่อว่าจูรจิตจูลได้รับตำแหน่งหน้าที่ในทางน้ำอนมะแสดงว่าเมือง น, นี้เก่งมนุษย์ก็เป็นทูตได้ใช่นกก็ได้ใช่สัตว์น้ำก็ได้เป็นราชวัลลบมีบ้านสวยซาก่อนเป็นหลักฐาน ถ้าวทศ้ถก็ยอมรับฟังนินดัดทำว่าถ้าอย่างนั้นพระเจ้าพาราณสีมีพระราชประสงค์อะไรจึงได้ทรงเจ้ามาที่นี่เจ้าเตาจีนีกราวทูลว่าข้าแต่มหาราชพระเจ้าพาราณสีมีรับสั่งว่าได้ได้ทําพระราชมตรีมาทั่วสากลชมโพทวีปแล้ว หมายการวางในชมพูทวีปทั้งหมดเป็นมิรกันหมดแล้วทำไมตรีหมดควรจะทำไมตรีกับเท้าทศรทอีกรับสั่งมาว่าจะถวายนางสมุทรราชานาสมุทรราชาราชธิดาให้แก่พระองค์ขอพระองค์จงรีบส่งราชบุตรราชบุตรไปกับข้าพระองค์ เพื่อนัดหมายกำหนดรับตัวพระราชิราชิิดามาโดยเร็วเถิดพระเจ้าค่ะแน่ไอ้เต่าหาักหลังแล้วสิเจ็บใจว่ามึงคิดฆ่ากูในี่กูจะเล่นเมืองเมืองละนี่ดูเต่าโลกหลังที่รักการเอาตัวรอดเนี่ยรู้รู้ความรู้ทุ่มหัวเอาตัวไม่รอดที่ท้มไป แต่เต่านี่ไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยเข้ามาหาวิทยาลัยไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่เต่าก็เฉลาดยฉะนั้นความเฉลาดของคนไม่ได้อยู่ที่การศึกษาอย่างเดียว <c oughs> การเฉลา่ยของคนต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยบางคนไม่รู้หนังสือแม้แต่ตัวเดียวแต่ก็รับรู้การณได้ดีเพราะอาศัยความเฉลาด เพื่อผานงานมามากมีประสบการณ์ดียันนี้ก็ถมไป <c oughs> ยังมีครูโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งไม่มีปริญญากับเขาเลยเป็นโรงเรียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงแต่ว่าการสอนของครูคนนี้ดีกว่าครูที่ได้มีปริญญาเป็นด็อกเตอร์มาไหนไหนวิชาใ ด, ดถ้าอ่อนเด็กไม่เข้าใจส่งครูคนนี้เข้าไปเด็กดีหมด นี่ขึ้นชื่อว่าความสามารถไม่ใช่อยู่ที่กระดาษความสามารถจริงๆอยู่ที่สมองนี่คําว่าปาริญญาทางยถาทางกระดาษนี่ยังไม่แน่นอนอย่างนั้นเขาไม่เรียกปริญญาเขาเรียกสัญญาคือความจำสำหรับปริญญานี่แปลว่าต้องใช้ปัญญาใช้รอบรอบคือรู้รอบปรินี่เขาแปรอบญาเนี่ยแปลความรู้คือมีความรู้รอบด้วยกําลังของปัญญา และคนที่จะทําทงานดีได้ต้องอาศัยประสบการณ์ที่พายงานมาถ้าเราอ่านตำราเราคิดว่าอย่างนั้นดีคิดอย่างนี้ดีเวลาทําเข้าจริงๆมันมีผลไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนตสู้คนเขามีการประสบการณ์มาโดยตรงไม่ได้ <c oughs> ฉะนั้นรูหลันทั้งหลายจะเห็นว่าผู้ใหญ่เขาทำเป็นที่ไม่ถูกใจเราอย่าเพิ่งเอะอะโวยวาย พิจารณาก่อนแล้วเราก็ลองทำดูบ้างในกลุ่มเล็กๆของพวกเราว่าเราควรทำอะไรเป็นพื้นฐานอย่าประเทศชาติเวลานี้ปกครองอย่างนี้เราว่าไม่ดีเราเห็นว่าการปกครองอะไรดีตั้งขึ้นในกลุ่มของเราเล็กๆอย่าให้มันเป็นไปตามด้านกฎหมายทำเป็นวงการภายในอย่างที่เราจะทำเป็นระบบข้อมูลว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมกัน ลองรวมคนตั้งแ่สี่คน8ปดคนสิบหกคนเข้าไปทีละน้อยน้อยถึงร้อยสองร้อยคนแล้วก็ทำงานเป็นนารวมแจกอาหารให้กินมีระเบียบทำงานวันละแปชั่วโมงกินขเหนียววันหนึ่งปั้นทุกสิ่งทุกอย่างทำแบบข้อมูลทั้งหมดการจะไปไหนมาไหนก็ต้องลากันไปตามยังกัดเวลาลองดูที่ว่าคนสองสามร้อยคนจะทำไปไหวไหม เราดูกับคนนี่ก็มีอิสรภาพท่างหลายใครจะมีความสุขกั่ากันนี่ต้องลองอย่างนี้ก่อนเอ้ดูกําลังใจเราว่าเอกดระเบียบวินัยที่เราวางไว้ใครปฏิบัติได้ครบทนบ้างนี่ต้องลองพิสูจน์ถ้าไม่พิสูจน์ดูก่อนแต่ว่าหลวงปู่ขอยืนยันเพิ่งว่าแค่สองร้อยคนไม่สามไม่ช้าไม่นานก็ตีกัน า้อารมการทรงตัวจริงๆข้ อ, อรมของคนมันไม่แน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผู้หญิงและที่นั้นก็ถือว่าผู้หญิงไม่ใช่สมบัติของใครเป็นของกลางอีตอนนี้จะฆ่ากันตายแน่นอนคุยกันต่อไปว่าถ้าทศรสจริงได้ให้นักประมาณสี่ตนให้นากมานบสี่ตนไปกับเต่านั้น แล้วก็กําชับให้ฟังกระแสรับสั่งข้าพเจ้าพารานาสีแล้วก็กําหนดกําหนดวันจะมารับตัวพระราชนิพนธ์เอาละสีไหมล่ะเจ้าเต่าทําพิษแล้วบรรดาหน้าทั้งสี่ยืนในพานเดินทางมากับเต่ามุ่งหน้าไปเมืองพาร า, รรารนาสีขณะที่เดินทางไปเต่าลายเห็นสับบัวในระหว่างทางจึงพูดกันว่าท่านหน้าขมานก พระเจ้ า, า, ราพระราสีก็ดีพ ร, พระเม่เสีก็ดีพระภราพระราชโอรสก็ดีเห็นข้าวเจ้าที่เที่ยวไปในทา น, น้ากลับมาแล้วมักจะขอดอกบบวแล้วก็เง่าโัว์เสมอๆเช่นข้าวเจ้าจะลงไปในสระเก็บดอกบบวไปถวายเจ้านายก่อนถ้าข้าวเจ้าช้าไป ก็ขอท่านในโปรดร่วงหน้าไปก่อนก็ได้แล้วเราจะไปพบกันที่พระราชสำนักขงพระเจ้าพาราณศีให้เจ้าเต่านี่มันเล่นลูกไม้จัดฟังไว้ก็ดีเหมือนกันฟังความฉลาดของสัตว์ในฉันดูบ้างเราเป็นคนที่เราคิดว่าเรามีความฉลาดมีความรู้ลองดูสิ ดูมันสมองของเรากระดูมันสมองของเต่าว่าเป็นยังไงนี่เขรู้รอดเป็นยอดดีนะเอาตัวรอดได้บรรดาหน้าสีท่านหลงเชื่อยิ่งปล่อยเ ต, าต่าลงไปในสระบัวเมื่อเจ้าเ ต, าต่าพ้นมือของพวกหน้าคมานบแล้วก็เข้าไปซ่อนอยู่ในที่ลับแห่งหนึ่งบรรดาพนหน้าเข็นท่ามากจเได้ล่วงหน้าไปก่อน แรงเพศเป็นคนเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพาราณาสีพระเจ้าพาราณาสีทรงต้อนรับและตัดถามว่าพวกท่านมาจากไหนกันบรรดาหน้าทั้งสี่ไ้กลาวถึงว่าข้าพระพวกข้าพระองค์มาจากเมืองท้าวทศรถนาคราชไปเจ้าค่ะพระราชาพระเจ้าพาราณาสีตัดถามว่าเธอมีธุระอะไรหรือ บัรดาหน้าก็กระตุนว่าพระองค์ทรงส่งทูตไปหาท้าวทศรถท้าวทศรถทรงมอบเครื่องบรรณาการมาถวายออมอบถวายสิ่งของในหน้าขวิภ พ, พที่พระองค์ต้องประสงค์ก็เพราะได้ทรงสดับว่าพระองค์ยาทรงพระราชทานพระธิดาชื่อว่าสมุทรแทชชาให้พิเยาว์่ะ นีตเด็กคนนีญญ้อย า, ายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ถ้าก็ได้สองสามปีมีผัวแล้วเสร็จจริงกับตรงนี้ตอนนี้พระราชาก็ตัดว่านี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีประเพณีที่มนุษย์จะทำการวิวากับนาคการวิวาอันไม่สมคนนั้นจะทำกันได้ยังไง พระเจ้าพระราศีตรัสอย่างไม่พอประไทยนื่พระยานักจึงบอกว่าถ้าการมีวาไม่สมควรกันแล้วทำไมพระองค์จึงได้ส่งเต่าชื่อว่าจิตจูนไปเป็นทูตว่าจะประทานนางสมุทรชาให้เหล่าการที่พระองค์งทรงฑูตทรงฑูดไปเชิญ น, นั้น แล้วบัดนี้กลับมาดูถกดูหมิ่นพระราชาของพวกข้าพระองค์เสียอีกโหนกหน้นกนากล่าวด้วยความโกรวเคืองและยังขู่พระเจ้าพระราณสีว่าการที่พระองค์กระทำเชน่นนี้ถ้าพวกหนาก้าโกรกขึ้นมาพระองค์จะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเพราะว่าพระองค์เป็นมนุษย์ไม่มีฤทธ การดูหมิ่นนักแม่นม้ำยวนนาผู้เรือ่องที่เช่นนี้จะมีภัยพิบัติมาถงตนแ น, น่ให้ตตเต่าทำผิดแตจริงไหมล่ะอตอนนี้ก็ยุ่งแล้จะไปโทษพระราชาก็ไม่ได้เต่ามันยุง่งไอ้ตัวยุให้รำทำให้รัวนี่เวลานี้ในประเทศไทยเรากม็มียุแยงไดแกงแสให้คนไทยทะเลาะ ก, กันเมื่อคนไทยทะเลาะ ก, กันข้อนอนยิ้มสบายสบาย ถ้าคนไทยขคนไทยฆ่ากันตายเหลือ น, น้อยกำลังน้อยเขากลับเข้ามากินหมูชิ้นปรามันเปน็นอนว่าลูกหลานทั้งหลายจงอย่าเชื่อเข้าเลยนะเราอยู่กันได้มีความสุขนับมาเป็นพันพันปีเราอยู่กันอย่างนี้มานานแล้วไม่จําเป็นต้องไปหาเรื่องอื่นเข้ามาเพียงแต่เพียงว่าเราสามารถขี่กันเรามีความขยันกันทุกคนสร้างความดี คนที่จะดีได้นั่นหนึ่งเคารพในในกฎหมายของบ้านเมืองสองรบสองเคารพระเบียบกฎข้อบังคับข่มของหน่วยที่เราปฏิบัติสามเคารพประเพณีสี่มีศีลธรรมและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรามีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันสา ม, คมัคคีจะมีกี่ได้คือหนึ่งเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดวยวัตถุ สองกล่าววาจาเฉพาะวาจาที่ไพเราะไม่สะดุดใจกันสามทำตนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยแรงงานและก็สี่ไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่เหยียดยามซึ่งกันและกันเพียงเท่านี้เรามีความสุขไม่ต้องไปเกงใครก็มาเป็นเจ้าเป็นนายไม่ต้องเราเราไม่ต้องวางตัวเป็นทานเวลาคุยกันต่อไปน่าจึงบอกว่าเราไม่ได้ดูมิน ระราชายิสนสมดัดว่าเราไม่ได้ดูหมินท้าทศรสผู้เรืองยศแต่ว่าทาทศรสเป็นงูไม่คู่ควรกับทินดาของเราซึ่งเป็นมนุษย์เรื่องมันเป็นไปได้ยังไงถ้าบอกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้เช่นนั้นแหละท่านท่า น, นาคมนพนบอัจจ่าพระราศีสั่งเป็นว่าราศีตัว น, นี้รู้สึกโมโห ถ้าไปอันถีใจความในเมื่อลูกสาวของเราเป็นมนุษย์นี่เจ้านายของท่านเป็นงูแล้วมันจะเป็นผัวเป็นเมียกันได้ยังไงเล่าไอคนนึยเขาใช้แข้งกอดกันแต่งูใช้ตัวรัดเลยมันก็ยากฮนะพ่อหน้าไอพหน้าที่มากโกรธมากอยากจะปรุงระชนระเจ้าพารานาสีทด้วยด้วยลมพิษใหม่พ่นพิษสุกเดียว ตายไม่หมดแต่หัวละลึกไปเดยวา่าเรารับหน้าที่มาเพียงแค่มานัดหมายการวิวาเท่านั้นจอหุนหันป่งไปชนเกร็ดสัตว์เสียแล้วกลับไปหาเป็นการสมควรใหม่โอ้เขาเก่งจริงๆ <c oughs> งควรจะไปกราบทูลพระราชาทรงทราบเรื่องราวสิก่อนเพื่อสารกันแล้วก็ุนผันออกจากพระราชนอเวศกลับไปยังหน้าขบิภพ ตงเข้าไปเฝ้าท้าทศรสโอ้โหยุ่งจังกราบทูลซ้ําเติมพื่ อ, อยุ่ยแย่ให้ไปแจาทศรสโกรธนี่นี่ น, น, นี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ไอเรื่องคําวาจาเนี่ยแค่นิดเดียวพระยาวไปหลายๆวันมันยาวต่อไปต่อไปเยอะเลยความเป็นจริงต้องการให้ท้าทศรสโกรธกราบทุนว่าข่าแต่พระองค์ ทำไมพระองค์จึงเลือกใช้พวกข้าพระบาทไปปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเหตุันสมควรถ้าพระองค์มีพระพระุทราชประสงค์จะให้พวกข้าพระบาทพาไปตายแล้วก็จงให้ตายเสียที่ที่นี่ดีกว่าพระเจ้าพาราณสีนั้นดาทอพระองค์ต่างๆนานาอวดอ้างยกย่องตนเองยกย่องลูกสาว ขอตัวมัวเมาดนชาติคนไมายความโดูถูกดูหมินม่นแม้ว่าเองงูหรือจะมาเป็นผัวคนมันมีที่ไห น, นว่าอย่างนั้นนะว่ายยอ ย, ย่างเยาอๆแล้วก็ซ้ำเติมไปต่างๆนาน า, น า, น า, นาให้พระชาชาโกรธให้ได้เมื่อท่านท้าทศรถได้ฟังดังนั้นาก็ลุกขึ้นจะทื่อพระ บ, บาทเอาลราสิโกรธไม่ต้องคิดละ นิสมารนังสะโยใครควรเสีก่อนแล้วยิงทำดีกว่านี่ขาดแล้วเท่าทศรสขาดตัวนี้ใช้ไม่ได้อาเทพรหมบาทได้ความพิโรธตรัสสั่งให้นาคทั้งปวงมาประชุมกันแล้วก็มีพระบัญชาด้วยสเสียงดังว่าพวกท่านทั้งหลายจงไปบอกให้นาคทั้งหมด รู้โทษไว้ว่าให้เตรียมตัวพากันตรงไปยังเมืองพาราณสีแล้วก็อย่าได้ทําอันตรายแก่มนุษย์แม้แต่สักคนหนึ่งเป็นอันขาดแล้วกันแลปะปัตยใหม่นะพนกนาทูลถามว่าเมื่อไม่ให้พวกข้าพระองค์ทําอันตรายแก่มนุษย์แล้วใช้พวกข้าพระองค์ไปทําไมพระเจ้าการท้าทเสจิตตัดไว้ว่าวิธีแนะวิธีว่าขอให้พวกนาทั้งหมดนะ ทั้งหลายจงไปเที่ยวแพ่บังพานตามบ้านเรือนตามกระแสน้ำตามทางเดินตามถนนสีแ่แพรงแล้วห้อยอยู่ตามต้นไม้ตามเสาวพนยียตส่วนตัวเราจะดันวิธิกายให้ใหญ่ยาวโหใหญ่ยาวขาวล้วนเป็นวงล้อมเมืองเข้าไว แล้วหลังจากนั้นจะทำยังไงต่อไปก็ขอบรรดาลูกหลานทั้งหลายฟังในวันต่อไปก็แล้วกันเพราะว่าวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วก็ขอยุติวาตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี